بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولعدوان إلا للظالمين وصلوا و س ل م و على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ق الحمد لله كابتي الله سبحانه وتعالى أن م ا حي وقراويم شهيد และสุขภาพถ้าได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการเรียนรู้ข้อหมายอัลกุรอานภายหลังที่ได้งดไปประมาณสองสัปดาห์ก็ยังพี่น้องหลายท่านที่อาจจะยังไม่ยังไม่อยู่นะครับพี่น้องพี่น้องไปทำอุ่งร้อหลายคนแล้วก็ที่ยังไม่ได้กลับมาจากช่วงหยุดหยุดปีใหม่ ของเราก็หยุดปีใหม่หยุดปีใหม่เพราะมุสลิมไม่มีไม่มีหยุดวันอื่นนะไม่มีทางเลือกก็เลยต้องหยุดกับเขาถึงมุสลิมจะหยุดปีใหม่กับเขาแต่ก็ต้องเจตนาทํากิจกรรมอะไรอย่าให้มันเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่ละกันนะจัดสังสรรค์ทําอะไรกินกันได้นะแต่อย่าอย่าอย่าอยู่ภายใต้เจตนา ฉลองพี่ใหม่รู้มิดหรืออะไรสักอย่างนึงหรือจัดงานนะบางคนก็จัดงานจัดงานพราอะไรเพรา ะ, ะ, รราะถานนมันล่มดิทางด่วนกฟ็ฟรีไม่ใช่หมาขึ้นนะคนนะคนที่ใช้ทางด่วนนะกะฟ็ฟรีเขาก็เลยเขาก็เลยจัดงานนะมีนะ มีเออจำได้ว่ามณิ์หรือสถาบันแห่งหนึ่งอ่ะเขาจะจัดทุกวันที่สามสิบเอ็ดธันวาทุกสามสิบเอ็ดแล้วเคยถามเขาบอกว่าคือจัดมานานแล้วไม่มีเจตนาอะไรมันมันว่างะมัน ช, ช่วงช่วงว่างช่วงล่วงแล้วก็ลูกค้าของเขาหนีไที่ว่าสมาชคกของเขาเนี่ยก็คนในกรุงเทพนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นนะพูดพูดนี้ พูดเรื่องนี้เนี่ยพาอ ม, มีมุสลิมหลายคนก็บางทีเนี่ยก็แพ้ชนแพชชนแกะหม่ถึงว่าจัดฉลองปีใหม่ถึงขนาดที่มีลูกโป่งมีอะไรนะจัดไม่ได้นะโอ้มันมันก็บังเอิญนั่นแหละพาอไม่มีวันจะไปเอาแล้วถ้าบังเอิญทำไมต้องทำเหมือนเขาล่ะทำไมต้องฉลองเหมือนเขา มีนะมุสลิมที่ยังยังจัดฮับ ป, ปี้นิวเย่นมีนะแล้วเขาถือว่าตัวเขาเนี่ยเป็นมุสลิมสายกลางมุสลิมสายกลางแล้วก็คนนี้ไม่ฉลองบีใหม่เนี่ยก็คือมุสลิมสุดตรง น, นี่สุดตรง น, นั้นนะันน่ะเขาบอกว่านี่ดูสิเชกอซาดเนี่ยยังอวยพรบีใหม่แลลวแล้วก็ผู้นำของเราก็เหมือนกัน โอ้ยพอนบีใหม่พวกคุณเป็นใครอันนี้ชาวบ้านเขาพูดนะก็ผมก็ไม่เห็นผลนะนะคือคนสำคัญระดับโลกโดยเฉพาะผู้นำศาสนาเนี่ยเขาออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไปไปต่อว่าใครว่าเขาผิดไม่ผิดนะครับแต่เราก็พูดเรื่องหลักการศาสนา ส่วนใครที่ไม่ทำตามหลักการศาสนานี่ก็นี่ก็สุดแล้วแต่เพราะเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งโจงตีมาตำหนิทิเตียนมาต่อว่าคนนู้นทำไมทําแบบนี้ใหม่หลักการมันก็เป็นอย่างนั้นนะใครที่เห็นด้วยว่าหลักการไม่ใช่แบบนั้นนก็ออกมาบอกหมายถึงว่าถ้าจะอวยพณ์น่ะก็ออกมาบอกเลยอวยพณปีใหม่นี้ได้มันจะได้อวยพรกันทุกทุกปีเลยเมษานี่ก็ออกมาอวยพณ์ใช่ัหม ปีของยูนี่ออกมาโวยพอมาออกมาคือมันมันมันมันได้ไม่ได้บนไงทําไมต้องคริดักราชอย่างเดียวต้องนะโวยพอน่ยโวยปีใหม่ของยูปีใหม่ของไทยปีใหม่ของที่ตัวจิงก็ต้องออกมาด้วยนะออกมวยพอเนี่ยทำไมอ่ะเสมอภาคเนี่ยประชาชนประชาคมโลกเนี่ยมีความเสมอภาคอ่ะแต่นี่นโวยพอเฉพาะคิดสกสาระเนี่อันนี้ลําเอียงลาเอียงแต่ถ้าบอกว่าฉลองได้ปีใหม่ก็ต ท, ท, ทุกปีใหม่เลยต้องทุกปีใหม่ ก็กละการศาสนานนี้ก็คือละการศาสนามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยันเกียร์มัดเลยนะครับเราได้ถึงอยายะที่แปดสบ 1, อก่นนันี้อยายะแปดสิบซึ่งอยายะแปดสิบนี้ได้สรุปหลกักการสําคัญมากของเรื่องมุนาฟิกีนพวกมุนาฟิกีนที่สุลตาว่าเนี่ยถูกประธานลงมาเกือบทั้งหมดเนี่ยเพื่อแฉ พฤติกรรมมโนบิยมเนี่ยไอ้แอคทีฟนี่สรุปสรุปว่าที่อัลลอฮ์จมดีเขาที่อัลลอฮ์ได้แชกพฤติกรรมของเขาเนี่ถึงขนาดที่บอกกับท่านนบีว่าจะขอพระยโทษหรือจะไม่ขอพระยโทษหรือจะขอพระยโทษเจสิบครั้งอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้อภัยโทษกับเขาเลยอัลลอฮ์บอกว่าด่ากะเบราวนั่นกรว พวกเขาได้บฏิเสศรัทธาต่อ Allah แล้วรัสูลของพระองค์นี่นี่คือข้อสรุปนี่คือข้อสรุปว่าแท้จริงพวกมุนาฟิกีนนี่ก็เป็นคนที่ตกศาสนาโดยเฉพาะที่มีพฤติกรรมที่สุรัสตะวันได้กล่าวถึงไม่ปรารถนาดีต่อ Allah ต่อราสูลต่อผู้ศรัทธา ไม่ปรารถนาดีต่อหลกักการศาสนาบิดเบือนหลักการศาสนาบิดพิวกับอัลลอฮ์ سبحانه และก็ก ala, คำสั่งสอนอัลลอฮ์ سبحانه และก็ไม่ปิดตยินดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับมุสลิมกับท่านนบีอาบีาบละมุสลิมพบกับอะไรดีๆเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่ยินดีด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหตุผล ปัตย์ทำไมถึงมุนาฟิกินเนี่ยอัลลอฮุซุบนาห์นะอัลลอฮ์ถือว่าเขาปฏเาิเสธต่อนะลสูลของพระองค์อันนี้คือหลักการที่สําคัญและหลักการที่น่ากลัวสําหรับผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องระวังว่าการตกศาสนาเนี่ยไม่ได้เฉพาะคนที่ตั้งภาคีกับละหรือคนที่ปฏิเสธหลักการอย่างสินน้นเชิงอันนบางทีนี่บางทีนี่ภายนอกประพฤติปฏิบัติตามหลกักการศาสนาหลายอย่าง แต่หัวใจไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องกับกับนโยบายของของศาสนาก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอุนาฟิกก็ได้เพราะฉะนั้นหลังจากอายานี้นเนี่ยแปดบเอนี่ยจึงมีเรื่องที่มันเกี่ยวกับเหตุผลว่าเราสุภาณวดาเหราทำไมถึงบอกกับนบีบอกว่า ขอพยาโทษให้เขานี่ยเราไม่ิกรรมของเขานี่รับไม่ได้เลยและเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่อรรถสุภานวดาลามาแฉมาเปิดเผยเพราะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลึกลับไม่มีใครที่สามารถรู้รู้ด้วยด้วยลักษณะภายนอกของเขาต้องต้องแบบว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เพียงพอ เพราะมันเป็นเรื่องเจตนาส่วนมากเลยเป็นเรื่องเจตนาเป็นเรื่องเนียดเรื่องที่แฝงอยู่ในหัวใจเดี๋ยวเราอ่านแล้วก็มาอธิบายนะครับข้อย่านี้มันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับจะอธิบายอย่างละเอียดพอหลังที่ได้อ่านแล้วก็อ่านความหมายไปแล้วนะครับบางเดุบิลลาฮิมินอชุยตานุรุจีม فريحالمخلّفون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا ت ن ف ر و ا في الحر قلنا ر ج ه نماشد حر ل و كانوا ي ف ق ه م بنداء بؤي الذي ي ُ ب َ ل و ّ ع َ بِالْبَعْضِ. อยู่เบื้องหลังจะมีเบื้องหน้าแล้วก็บเบื้องหลังในสถานการณ์เนี่ยเบื้องหน้าคือคนที่ไปทำสงครามเบื้องหลังนี่คนที่อยู่ข้างหลังไม่ยอมไม่ยอมออกไปทำสงครามอ่ะอันนี้เป็นนิยามทั่วไปนะเดี๋ยวหมฆัลและคุณเนี่ยจะถูกระบุหลายครั้งผู้ที่ถูกปล่อยให้อยู่เบื้องหลังนั้นดีใจดีใจเรื่องหัวใจแล้วนะเรื่องอยู่ในหัวใจแล้วนะ เขาดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของรสูลขีลาฟาดิมากาดิมเบมากาดิมงานนั่ ง, งอยู่ขีลาฟาเบื้องหลังรสน์อิละอยู่เบื้องหลังรสน์รสอุลลาะรสน์อุลลาะเขาก็แปลตามตามสำนวนแต่ถ้าถ้าเป็นภาษาไทยสำภาษาไทยนี่อาจจะอาจจะงงงงนิดหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังรสน์อุลลาะ เพราะเราใช่ครคนที่อยู่เบื้องหลังเราซูนก็คือคนที่สนับสนุนใช่ไหมเฮ้ยนี่คนนี้มีแบ็คคนนี้มีใครอยู่เบื้องหลังก็คือคนสนับสนุนแต่พอแปลแบบนี้เนี่ยแปบลบแบบนี้แล้วไม่อธิบายสิ่งแวดล้อมนี่นะมันอาจจะอาจจะสับสนหน่อยเพราะสถานการณ์เนี่ยมันคือสถานการ ส, สถานการสงครามอสงครามนี่ ถ้าใครที่ออกไปทำสงครามเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนที่อยู่ในแนวหน้าอยู่เบื้องหน้าเพราะเขาเสนอตัวที่จะต้องไ ป, ปเผชิญหน้ากับศัตรูแต่คนที่ซ่อนตัวไม่ยอมออกไปทำสงครามโดยมีข้ออ้างต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามุตะคลิฟมุตะคลิฟ มูตอคัทลี้คือคนที่คนที่ยอมอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่เบื้องหน้าในในการทาสงครามแต่กูอ่านใช้ใช้ว่ามูคัทล็บมูคัทเล็บแปลว่าถูกปล่อยมุตอคัทลิฟคนที่ปล่อยตัวเองอยู่ปล่อยตัวเองอยู่เบื้องหลังแต่มูคัลล็บเนี่ยคือถูกปล่อยอ้าวแล้วทําไมอัเลาเรียกว่าถูกปล่อยไม่เรียกว่ามุเตอคัทลิฟคนที่ปล่อยตัวเอง การที่ถูกเกลียกกัอนมุนบิทีในส่ัา้งหมดนี้แม้กระทั่งบุคคลสามคนในท้ายสุรที่อัลลพูดถึงว่าลซะลซะลลีนคุณลฟสามคนสหายที่ไม่ได้ออกไปทาสงครามก็อัลลอฮฺกระนีว่าซะลซะลลีคุลฟก็ถูกปล่อยทาไมเขาบอกว่าเขาปล่อยตัวเองนีรก็หม่ทังว่า เขาเนี่ยจะมีบาปที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำด้วยตัวเองเนี่ยการที่ไม่ออกไปสู้รบไปทำสงครามกับท่านนบีสุลตลลล่านเลวสลัมซึ่งมันก็จะเป็นความรู้สึกทำบาปเพียงผู้เดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ถ้าถูกเรียกว่าถูกปล่อย ก็ามายถึงว่าอัลลอฮ์ละระซูลเนี่ยปล่อยปล่อยเขามันจะบวกความรู้สึกอีกอันหนึ่งว่ะเขาเนี่ยปล่อยตัวเองไม่ออกไปทําไปสู้รบกับท่านนบีก็เป็นแบบแล้วเป็นบาปแล้วนะแต่อัลลอฮ์สุบฮานะวะจัลละระซูลเนี่ยก็ไม่ปราถนายอยู่แล้วที่จะให้เขาออกมาสู้รบกับท่านนบีสุลลัลลอฮุวาเลาะห์อัสลามเหมือนายะก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์ได้บอก ثبتهم وقيلك แล้วนับตาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนแล้วแต่เขาไม่ได้ไปไหนแล้ว สู้รบกับท่านในบีหมายถึงว่าสภาวะของคนที่ไม <NAT> <ian> ่ปราถนาไม่จ <humming> ริงใจที่จะไปสู้รบกับท่านในบีนะพระเจ้าก็ไม่เอาเขาอยู่แล้วลักษณะคล้ายกันอย่างที่บอกว่ามันก็คล้ายๆของลักษณะมุนาบีกินที่ลุกขึ้นละหมาดด้วยลักษณะที่ที่เกียจคานขี้เกียจอิดะคาห์อิลลอซลาตอิดะาห์กูซาล่าถ้าเขาลุกขึ้นละหมาดเนี่ยลุกขึ้นละหมาดในลักษณะที่เกียจขานไม่อยากจะลุกขึ้นละหมาด ก็เป็นการอุปบูตที่อัลลอฮ์ไม่ยินดีกับอุบูตอันนี้เช่นเดคือทำอุปบูตโดยไม่มีปรารถนาดีไม่มีความตัง้งใจไม่มีความปิติอินดีในการนีสคัญมากอันใดามากอันใดามากตื่นลุกขึ้นละหมาสุวีด้วยความรู้สึกอุตเช้าเลย มนานตะเช้าเลยคนเขาจะนอนกำลังนอนโอ้ยิย่งหน้าหนาวนี่มันนอนมันนอนอยากนอนนอ น, น, อ, นอยากนอนเหมือนชาวถ้ำเลยนะ ส, ส, สามรอยปี <laughs> อยากจะนอนอนี่มาตื่นส่วนระวังนะถ้าความรู้สึกมันมันแวบขึ้นมาเนี่ย ระวังนะเดี๋ยวจะเหมือนลักษณะพวกมูนาฟิกินเะนี่ยละหมาดด้วยความขี้เกียจละหมาดเราไม่คงไม่ต้งเออพอตื่นล้วมอดดีใจมากดีใจมากดีใจที่ตื่นมาละหมาดสมมติมากกว่าดีใจที่ได้ที่ได้เงินเป็นพันล้านก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะนะแต่อย่างน้อยเนี่ยลุกขึ้นละหมาดสมบติด้วยความยินดีเป็นยินดีว่านี่เป็นหน้าที่ฉันตุกขึ้นมาทำหน้าที่ไม่ทําไม่ได้ ถ้าทิ้ละหมาส ว, วล้มันบาปไม่ไม่ตอบรับคําเรียกของอัลลอฮ์มั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไม่มไม่ถูกต้องสําหรับผู้ศรัทธาแค่แค่นี้นะก็ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าใช้ได้นะโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยนะยุคนี้เราก็คงจะไม่มีจิตใจของซอฮาบ้านี่ก็ถือว่าถือว่าการทําอบาร์ด้านี่ถือว่าเป็นเกียรติเกียรติยศสูงสุดสําหรับผู้ศรัทธานี่พระวงคนนี่แคลละหมานี่ก็ ละหมาดต่อหน้าชาวบ้านต่อหน้าคนนี้ไม่ใช่มุสลิมมืนอน่ะบางทีก็อายดยซ้ําละหมาดอายอะ่ะถ้าละหมาดต่อหน้าคนนี้มันรู้สึกอายมันมีมนมีจริงๆนะ่ะก็บอกว่าอย่าอย่าให้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับหัวใจของเราถ้าได้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่มันใกล้เคียงกับกับลักษณะของมุนาเวกีนนี้อัลลอฮฺได้บอกนี่พฤติกรรมที่ ไม่มีใครรู้เลยเพราะมันไปนเร่องอยู่ในหัวใจเขานั่งอยู่ที่มาดีนะมัวแต่ไปดูสวนอิมพัลลัมของเขาเก็บเกี่ยวทรัพย์สิสนรักษาดูแลงเงินทองหรือช่วงนั้นมันช่วงหน้าร้อนนะอยู่ในบ้านนอนสบายสบายหรือจะไปทําหรือทํากิจวัตรของมุสลิมประจำเนี่ก็ไปละหมาดที่มสัสยิดแล้วก็กลับมาสบายสบายอย่างเงี้ยเพราย่าคิดว่ามุนาบิกินเนะก็อยู่ที่มาดีนนะไม่เด้ไปสู้รบเป็นแสดงว่าเขา คงกินเล้า่ทไม่ใช่เขาก็ใช้ชีวิตแบบเป็นมุสลิมนี่แหละเขายังแอบแฝงมาเป็นมุสลิมแต่เขาเนี่กลัวใช้ชีวิตมุสลิมแบบชิวๆไม่ต้องไปลําบากอะไรกับท่านอบดุลลสลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมเราสาบไปสูรบไปสู้รบจะไหมเราอยู่ที่นี่น่ยดีแล้วพอแล้วละมาดละมาดทําหน้าที่ที่ละมาดอ่นพอแล้ว ทำไมต้องไปช่วยกับท่านน่ะบีนี่นี่คือสิ่งที่มูนาบิกินได้ทำและอัลลอฮ์ตำหนิเขาในสิ่งที่เขาทามันถึงไม่แปลกใจว่าในปัจจุบันนี้ก็กเจอนะ่ะคนที่พูดแบบว่าเรื่องอะไรฮามาสไปสู้รบกับยิวเราอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรออยู่กับสบายๆเนะี่ยดีแล้วไม่ใช่เราทำไมต้องไปจิฮาดไปเขาเรียกว่าไปยุรังพึง่งอ่ มีผู้รู้คนหนึ่งไปที่อะไรไปยุรังพึ่งมันทําไมมาแล้วสิพึ่งมันออกมานี่ยมาแล้วสิมาสลับไปไปยู่ดีๆไม่เอาก็ต้องไปเหี๋ยไปอะไรเนี่ยทําไมต้องแล้วก็สร้างความลําบากในโลกมุสลิมทั้งหมดโอผ ม, ผ ม, ผ, ม, ผ, มผมนั่งฟังไอ้พวกนี้เคยอ่านสุรตะบ้าบ้าทำไมมันเป๊ะขนาดนั้นน่ะอย่าเป๊ะอย่าเป๊ะไม่ได้อะคือเออพูดอะไรที่มันไม่ไม่เหมือนเป๊ะนี่มันจะได้มา แต่นี่พูดอะไรสไม่อะไรนี่มันคล้ายๆของคําพูดขอุมุนาวิกิเอาแล้วก็ตัวเองไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปสู้รบไปช่วยฮามาสไปไปปกป้องมัสิดอักษรเราก็ไม่ไม่เอาอยู่นี้ดีแล้วเราต้องเชื่อฟังผู้นําของเราทํำไมมันติดกันขนาดนั้นน่ะมากกว่านี้นะมาดมาดเนี่ยสดสดดิบดิเนี่ยมีผู้รู้คนหนึ่งแถวภาคใต้ ก็เขาแอบอ้างว่าเป็นแนวสลับนะแต่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แนวสลับมากกว่าแต่เวนเฮ้ยอย่าบริจาคให้ฮามาสนะอย่าบริจาคให้ปาเลสไตน์นะอย่าบริจาคให้ปาเลสไตน์นะคือแน่นอนเขาจะบอกว่าอย่าบริจาคหมายถึงว่าอย่าช่วยใช่ไ่มก็ต้องไม่ช่วยในชาวบ้านรับไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลอย่างอื่นอย่าบริจาคให้ฮามาสอย่าบริจาคให้ปาเลสไตน์นะเพราะองค์กรบ้านเรานี่ไม่แน่ว่ามันจะถึงหรือเปล่าี่ย เขาหลอกไปเลยนะเฮ้ยพอถ้าถูกตํานีิอ๋อจะไม่บริจากได้ไงอ่ะเปล่าไม่ได้บอกก็ไม่ให้บริจาคปหรือแต่องค์กรบ้านเรานี่แหละมันบริจาคไม่ได้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่าที่จริงข้อหานี้มันก็อ้างได้คือในเมื่อไม่มีหลักฐานนะ่ะนะคือตั้งคําถามเนี่ยตั้งคําถามเนี่ยสามารถตั้งคํถาถามนีนะ้กับทุกองค์กับทุกคนเลย คุณรับบริจาคมันจะถึงหรือเปล่ามันตั้งคำถามได้ไงแต่ถ้าตั้งคำถามนี้โดยมีข้อมูลนะนะเออเป็นเป็นการตั้งคำถามที่มีเหตุผลที่มีความชอบเพราะถ้าหากว่าเขาบอกว่าเอ้ยกล่าวหาฉันได้บา่าวบอกเออกล่หานี่หลักฐานนี่ไงมาเงินไม่ถึงนี่ไงแต่ถ้าไม่มีข้อมูลแล้วก็ั้งคาถามนี่อันนี้แสดงว่าเจตนาไม่ดีแน่น ตั้งคำถามเพื่อให้คนเขาสงสัยคนเขาสงสัยเช็นเห็นคนเขาเดินผ่า น, นาคาราเกะเฮ้ย <"He i, S 1> ไปขุเข้าอินเนอร์บาตั้งคำถามมันก็ตั้งคำถามได้ไงเพราะเขาเดินเดินผ่านมาเฮ้ยแกแวะไปกินเหล้าเบ้าถ้าเขามีหลักฐานว่าเข้าไปจริงงนั้นอาะตั้งคำถามได้แต่ถ้าไม่ไม่มีหลักฐานเลยอนะอันนี้ตั้งคำถามเพื่อสร้างความเสื่อมเสีย ทันที่จริงแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็มีเขาก็มีอุดมการณ์อยู่แล้วว่าฮามาสนี่รับการสนับสนุนจากเชียร์บางคนก็บอกบอกเลยว่าฮามาสเนี่ยเป็นเชียร์สนับสนุนไม่ได้ก็หมายถึงว่าเขามีเหตุผลอยู่แล้วที่จะไม่ให้บริจาคกับฮามาสที่จริงแล้วส่วนมากนะครับน่าจะ 90% กว่าเปอร์เซนต์ที่เขารับบริจาคเขาไม่ไสงม่งให้ฮามาส ไม่มไม่ใครที่จะมีคอนเนคชั่นไปถึงฮามาสท่านนีถึงจะไปให้ฮามาสนะก็ฮามาสนก็คงไม่ได้เอาเอาไปซื้ออาวุธไปอะไรนี่ไม่ฮามาสเนเขาเป็นรัฐบาลของกาซาเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปทําในสิ่งที่มันสิ่ง ท, ที่ที่ประชาชนต้องการมากกว่าและอย่าคิดว่าเงินบริจาคของพี่น้องที่เขาบริจาคอย่างเปิดเผยเนี่ยฮามาสเนี่ยเขาก็จะเอาเอาไปสนับสนับเอาไปสนับสนุนเรื่องเรื่องการทหารได้ไหมนะ คนที่เขาต้องการสนับสนุนเรื่องทหารเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะแล้วเขาจะไม่ขี้ขาดเหมือนพวกเราเหมือนคนทั่วไปในโลกใบนี้เนี่ยที่ที่จะบริจาคอ๋อเพื่อเสื้อมนุษยธรรมก็ไม่เขาจะไปหาฮามาสแล้บอกว่าอ๋ออันนี้ร้อยล้านเนี่ยซื้ออาวุธเลยเขามีของแหล่งของเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้กระซิบบอกที่เขาบอกว่าเอยอย่าไปช่วยฮามาสหรืวเขาจะไปซื้ออาวุธ ที่จริงถึงจะบอกหา้ามจซื้ออาวุธหนึ่งแล้วทมไยก็ซื้ออาวุธไปสู้ยิวน่ะเขาไม่ได้ซือ้ออาวุธเนี่ยไปอุ้มอุลามาไปไปทำลายชาวบ้านนะเขาซือ้ออาวุธมาสู้ยิวน่ะมันบาปตรงไหนอ่ะพยายามพยายามทำยังไงอ่ะส่วนตบ้านนี่มันก็มาในช่วงช่วงนี้พอดี เขาดีใจที่นั่งอยู่ที่มา ด, ดีนะ่าไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนาบีเราสามารถเอามาเป็นมาตรฐานมาตรวจสอบตัวเองไหมมุสลิมคนไหนที่มีความสามารถต่อสู้อกป้องอักษอมีความสามารถนะแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยเหตุผาลอะไรก็ตามไม่ได้ไปด้วยอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค เหตุผอะไรก็ตามและจิตใจของเขาเนี่ยดีใจที่ไม่ได้ไปสู้รบนะเอ้ยดีแล้วดีแล้วที่ที่ฉันไม่ได้อยู่ที่กาซาไปรบกับพวกอามาสเมงั้นนะ่ะโอ้โหคงแย่แล้วเนคงอยู่ไม่ได้หรอกผู้ใดที่ดีใจแบบนี้เนี่ยนะไม่รู้จะต่างอะไรกับมุนะฟิกอินที่ Allah ได้ทำนี่นะฝริ์ฮัลมุคลลฟูนะ บีมาควาดิหิมขิลลรุสูลิลละบรรดาบูที่ถูกปล่อยให้อยู่เบื้องหลังนั่นนะเบื้องหลังท่านนบีอยู่ที่มาดีหน้าไม่ได้ยอมไปไป j ิ h a d เนี่ยเขาดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของรอสูล ullah และพวกเขาเกลียด ในการที่พวกเขาจะต่อสู้จะจิหาด้วยทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในทางของ Allah ดีใจที่ไม่ออกไปรบนะและก็เกลียดที่จะออกไปจิหาดในสูรษฎ์มุฮัมมัดซึ่งเป็นสูรษ์ที่ถูกประทานลงมาในเมืองมัดินาเหมือนกัน Allah ได้พูดถึงพฤติกรรมมูนาเิกีนในมุมกว้าง เพราะว่า ذلك بأنهم คดีว่มาอัน زل الله فأحبط أعمالهم ที่เขาถูกกลิ้วถูกแช่งถูกกัดสินว่าจะลงโทษในนรกจานน้ำเนื่องจากพวกเขาได้รังเกียจสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาหมายถึงว่าคําสั่งสอนในคุตาอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเนี่ยเขาจะรังเกียจเขาจะไม่ชอบ อุลามะจึงบอกว่าและการศาสนาทุกประการเราต้องปฏิบัติด้วยความยินดีทำแล้วก็ต้องยินดีแต่ทำด้วยความรังเกียจเนี่ยไม่เพียงพอที่จะให้เราพ้นบาปพ้นหน้าที่ละหมาดด้วยความรังเกียจคู่มียาบด้วยความรังเกียจแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาด้วยความ ไม่พอใจด้วยความรังเกยียจไว้คราวด้วยความรังเกยียจเนี่ยและการศาสนาทั้งหมดเนี่ยทำแบบนี้ก็ทําอยู่นะก็ทําอยู่แต่ด้วยความรังเกยียจพ้นมาไม่พ้นอาจจะเป็นบาปด้วยนะและบาปนี่มันอาจจะถึงขั้นตกศาสนาถ้าหากว่าความรังเกยียจเนี่ยมันรังเกยียจ ในตัวคำสั่งสอนในหลักการแต่ถ้ารังเกียจถ้าถ้ารังเกียจเป็นเรื่องรังเกียจธรรมชาตินะเช่นคนง่วงตื่นละหมาดุูโบเนี่ยก็รังเกียจในในอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นว่าเออง่วงมันโอ้โหนี่จะละหมาดมันเราจะทำไม่ดีไม่สมบูรณ์ไหม เรดูเชิน้ำเย็นอีกโอ้น้ำเย็นนี่มันจะเราจะลำบากจะทนได้ไงเนี่ยนี่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ถ้ารังเกียจถึงขนาดที่ทำไมเราต้องให้เราละหมาดตอนนี้ล่ะคนกลงนอนอย่างสบายๆแต่ทำไมต้องตื่นมาละหมาดตอนนี้ล่ะใสสายไม่ได้ล่ะสักแปดมงเก้าโมงรู้มหถึงจะแปดโมงเก้าโมงซูบะเจาอัลลอบัญญัตินั่นนะ ถึงเอารถเบเนตซูโบนให้มันแปดโมงเก้ามงงินไอ้พวกนี้เน่ยนะคอยซูโบนี่เที่ยงกลางวันนะี่ยมันก็ยังจะเงี้เง่าเหมือนกันไม่มีนะไม่มีนะครับถ้าแฟนมันเรียกกบตีหนะ้าเนี่ยถ้าแฟนมันตกใจเลยฮ ะ, ะถ้าแฟนมันเรียกอะตีะห้าล่ะจะบอกไหมเฮ้ยจะนอนเนืคำค้านอย่างเงี้ยแต่วนายเรียกอะ มาทำงานอย่างนี้เลยมาตอนนี้เลยหักเงินเดือนจะบอกไว้คนจะนอนที่พระเจ้าของเรานี่พระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาให้ริสกีกับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างสั่งเราแล้วก็แล้วก็เราไม่มีไม่มีน้ำใจสักนิดหนึ่งที่จะสวามีพักต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มใจอ่ะมันไม่ควรที่จะเป็นเบาองอัลลอฮ์ ไม่ควรที่จะเป็นแบบนัลน Allah ได้บอกว่า له. له ب ب ชั้นฟ้าและแผ่นดินคุณเนื้อียอาตวันเอากระหั่น Allah สั่งการชั้นฟ้าและแผ่นดินจงมาเถิดมามาสามีพักตาวันตาวันด้วยความสมัครใจเอากระหันหรือถูกบังคับก็ละแท้อตยนาตอเอรนชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยตอบล l l a h บอกว่าเรา เราขอสวามีพักด้วยความสมัครใจสมัครใจละหมาดเราต้องสมัครใจไม่ได้ถูก บ, บังคับไม่ใช่ว่าพ่อแม่บังคับไม่ใช่ผู้ใหญ่เขบาบังคับไม่ใช่กฎของสังคมบังคับบางค น, นบางคนที่ละหมาดสะอาดนี่ไม่ใช่อาราณเติบโตในสังคมที่มีกฎหลิก ต้ละหมาด ถ, ถ้าไม่ละหมาดถูกตําหนิถ้าใครที่ยังคิดจะละหมาดแบบนี้เนี่ยให้ปรับตัวนะครับปรับตัวไม่ใชน่นี่ไม่ใช่ละหมาดที่เราต้องการเราสังคมไม่มีอํานาจที่จะมาบังคับกฎเหล็กของสังคมไม่มีอํานาจบารมีอะไรที่จะมาบังคับมนุษย์กฎที่มนุษย์ตั้งกันเองเนี่ยเรายังเรายังฝืนกันเฉยล่ะถ้าเราต้องการนะทำไมเมาไม่ขับนี่เอาอยัางไงเมาไม่ขับขับกันไหม ถ้ากูอยากจะเม า, านี่คนหมายมนุษย์นี่เองไงเธอเขาจะฝือนแล้วก็ฝืนดิแต่เราจะมาอ้างว่าองคมนี่เขาวางกฎเหล็กว่าต้องละหมาดแล้วก็ต้องละหมาด ต, ต้องถือสิ้นอดแล้วก็ต้องถือสิ้นอดต้องปรับนะไม่ได้นะนี่ไม่ใช่เจตนาที่ถูกต้องนะ <S <S และด้วยเหตุบนนี้เนี่ยผมถึงได้บอกไอ้ทํา ไ, ไมบรรดาอุลมามะบางมัศหบเนี่ย ถึงเขาบอกว่าสมควรมัสยิดชาฟีสมควรที่จะเปล่งเจตนาเปล่งเจตนาด้วยวาจาทําไมเขาก็ให้อิบดต้ามันมันจะได้แน่ชัดนวัยทุอันอุสลีย์ ظ อ ر أ ر ب ع ر ล ع ا ล ل ل ل ه تعالى ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺไม่ได้ละหมาดเพราะอเยาะสั่งมาไม่ได้ละหมาดเพครูขเขาสั่งต้องละไม่ได้ละหมาดเพราะดูกลัวถ้าไม่ละหมาดดูชาวบ้านก็จะเฮ้ยไม่ละหมาดดไม่ฟังเลยคูบโบละหมาดไม่ใช่ไม่ใช่ใชลิลเลฮิตาล์ละก็จะเห็นผลนะคุละหมาดทาไมบ้างทีในเราละหมาดแล้วก็พรเจตนาเจตนาในใจเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่ ตั้งใจเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะพลาดก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าเพิงเจตนานี่ยถูกต้องนะไม่ผมบอกว่าเออทำไมถึงอุลลมาหิดผลของเขาอะนะโอ้ยอิมามชาบีเขาบอกว่าเขาบอกว่าชอบเขา อ, อิมามบอว่ชอบนะไม่ได้บังคับนะแต่แล้วอุซัลลีเนี่ยมันไม่ได้วาจิบนยะมัสิดชาบีไม่ได้วาจิบเลยถ้าไม่ได้กล่าวอุซัลลีเนี่ยกละหมาดก็ซ่อนนะ แต่อิมามสบิบอกว่าฮต حتى يواتي القلب ل س ا นะหัวใจนี่มันจะได้สอดคล้องกับวาจาที่ที่เปล่งออกมาหัวใจจะได้ไม่ลืมเพราะฉะนั้นบางอย่างนี่ใช้หัวใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องวใจเช่นเจตนาการทําอุมราลาฮัดอันนี้ต้องต้องเปลงาา่งหัวใจและ b y k a l l ม h อ m m a عمرة تن ว่าฮัจญนต้องเปลงวาจาสัญญาต่างๆเนี่ยสัญญาระหว่างมนุษย์ด้วยกันต่างๆเจตนาอย่างเดียวไม่พอนิกาแห่งเนี้ยนิกาเอ่อมองหน้ากันชอบกันอย่างงี้เป็นผัวเมียกันแล้วเหรเป็นแล้วไอ้ไงอย่างเงีเราเจตนากันแล้วไงเเนี่ยกั น, น, กนไม่ได้ต่แต่งงานนี่ต้องฮะ ข้าพเจ้าให้ทนนิกาลูกสาวของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารับนิกาลูกสาวตามมาที่ตกลงกันไว้ต้องเปลงว่าจะต้องชัดเจนอันนี้มันมันมันจะมีสิทธิที่ต้องเรียกร้องกันตอบต่อมาแต่อิบานไดต่างๆนี่เลาบอกว่าเจตนานี่พอพออะไรเพราเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับอัลลอสุภ า, าวนบอาแล้ว ไม่มีเพราวอุปาเนี่ยของสัญญาณนิกายอะไรเนี่ยมันต้องมีพยานด้วยใช่ไหมว่าด่าก็เราแต่งงานกันแล้วใครเป็นพยานอ่ะมีพยานแล้วพยานเนี่ยเขาจะเป็นพยานในเรื่องอะไรเรื่องเจตนาเหรอไม่ได้พยานเนี่ยก็หมอนได้ยินคนนี้เนี่ยเขายกลูกสาวคนนี้เนี่ยนิกายกันเนี่ยผมผมเป็นพยานเนี่ยมันมีข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นทีหลังเนี่ยแล้วก็ต้องมีสิทธิต้องพิสูจน์ได้แต่เรื่องละหมาดเนี่ยใครจะมาพิสูจน์กับเราล่ะว่าละหมาดนี่ย คนเนี่ยจจะบอกคนนี้ละมาดีแต่ละมาดเลยใจละละมาดเพื่อ Allah จริงเนี่ยครไสวดนี่แหละถึงบอกว่ามุนาฟิกินเนี่ยเ้า Allah ไม่แชเนีไม่มีใครรู้หรอกท่านนบีสุลต์ละอัลลอฮ์สุลต์ละมก็ได้แต่ตำหนิว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ออกมาช่วยท่านนบีก็ได้แต่ตำหนิว่าทำไมไม่ช่วยท่านไม่ออกมาอยู่ท่านนบีแต่ถึงขนาดที่เขาดีใจที่ไม่ออกมาอยู่ท่านนบีอันนี้เนี่ย a l l องหาี่ต้อง ต้องรู้และเป็นผู้มามาบอกกับเราว่าเออพฤติกรรมของ้อนี้มันเป็นแบบนี้เกลียดที่จะไม่บริจาคที่จะไม่ต่อสู้ในคนตายคนรอดด้วยทรัพย์ด้วยชีวิตของเขาขนาดขนาดเกลียดเหรอใครจะรู้ละ่ะอัลลอฮฺสุบฮา น, นอาอัลลอฮฺและสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกมาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรสําหรับมุนาฟิกีนเพราะคนที่ปฏิเสธคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ย เขาทำสิ่งที่มันเลวร้ายแบบนี้ก็คือเขาเขาปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ให้ผู้ศรัทธานี่ดีใจที่ไม่ทำตามคำสั่งอัลลอ์ไม่ให้ผู้ศรัทธานี่รังเกียจในคำสั่งสอนอัลลอฮ์และก็ตานเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับพวกเราเอามาตรวจสอบเอามาเปรียบเทียบ สภาพการทําไมบ้านนี่ข้ออ้างของมุนาเปกีน่วทําทไมไม่ออกไปสู้รบกับท่านนาบีมันมีข้ออ้างหลากหลายก่อนหน้านี้เนยก็มีข้ออ้างของมุนาเปกีนอิสลิวัลลาตัฟตินี่อย่าให้ฉันได้ไป j i h า d เลยเพราะฉันเนี่ยถ้าจะไป jihad กับพวกโรมันหรือพวกโรมันเนี่ยเขาเอาสาวของเขามาด้วยและฉันจะเกิดฟิดหน้าเนี่ยฉันฉันเห็นสาวสาวโรมันเนี่ยมันสวยฉันมองเห็นไม่ได้ดูจะเกิดฟิดหน่ะ ยากให้ฉันไปเผชิญหน้ากับฟิตร์หน้ลเลาเราตอบยังไงอัลลาฟิลฟิตร์นติสกัตูที่จริงเนี่ยการที่เขาไม่ออกมาเยือนไป jihad เนี่ยนั่นแหะคือฟิตร์หน้าที่ยิ่งใหญ่แล้วคำว่าฟิตร์หน้านี่ยคือบททดสอบเขากลัวบททดสอบแต่ไปเห็นแต่ไปเห็นสาวโรมันแล้วก็บอกว่าที่ดีก็พิธีวกเจ้าไม่ออกไปเยือนนั่นแหะคือฟิตร์หน้าที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน อย่าได้ออกไปจีกท่านกับนบีเลย و ق ا า و ا ล ا ت ن ف ي ر و ูฟิ الحر รรพวกเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าออกไปในความร้อนเลยอย่าออกไปคํามเวลาเตัมฟิรูที่จริงเนี่ยเขาเขาแปลว่าลาต็มฟิรูอย่าออกไปที่จริงเนี่ยอันนาฟีรหรือนัฟาระนาฟีรเนี่ยมันเป็นการออกด้วย การกระตุ้นด้วยคำร้องให้ออกฉะนั้นทั่วโลกตอนนี้ใ น, ในประเทศอาหรับะนะการที่เกิดสงครามและทางรัฐบาลเนี่ยประกาศระดมพลให้คนไปสู้รบเนี่ย mm hmm. เขาเรียกันออนนาฟีรอัลามอันนาฟีรก็คือเพราะคำว่าอันนาฟีรนี่คือออกมาเป็นฝูงเลยแต่ไม่ได้ออกเองนะ ออกโดยมีคำร้องให้ออกมาฉะนั้นที่เขาบอกว่าไลต์เตฟิ ร, ทรูที่ถูกร้องที่ถูกเรียกร้องให้ออกไปเยอะนี่นายอย่าออกเลยทำไมะเนราะมายยันร้อนน่าร้อนในแถบตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับนี่ตั้งแต่มักามาดีนาตะบุกซึ่งเป็นสงครามที่จะเกิดขึ้นนี่ตะบุก ถ้าหน้าร้อนนี่ก็ร้อนถ้าหน้าหนาวนี่ก็หนาวตะบุกนี่หิมะลงเลยนะถ้าหน้าร้อนา น, านี่ก็ร้อนร้อนขนาดไหนร้อนสี่เกองศาอันนี้ผมพูดถึงองศาที่ผมเคยทันเคยเจอน่ไปที่ซดิาระเบีที่เมืองจินดาสี่บเกองศาถ้าบ้านเรานี่ก็คงเป็นปรากฏการณ์น่ะเก้าองศานี่ผมเจอเอง และมีโอกาสที่จะมากกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นมากกว่านี้ห้าสิบห้าบเอดห้าบสองศานี่ก็มีหมายถึงว่าทวัดอุณหภูมิในที่แจ้งนะทางตากแดด น, นะ อ, อ, อาจจะถึงห้าสบห้าก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็มีเพื่อนผมผมเคยเล่าว่าเพื่อนผมที่ประเทศคูเวตเขาเขาถ่ายรูปที่วัดอุณหภูมิที่รถน่นนะอยู่ในรถน่ะ น, นะก่ อ, อนที่จะสตาร์ทเนี่ย วัดอุณหภูมิเนี่ยห้าสิบห้าอีกหน่อยหนึ่งก็เดือดแล้วน้ําเดือดแล้วนั่นเนี่ยอืช่วงนั้นนะช่วงร้อนเนี่ยก็คือร้อนใครที่ใครที่ไปที่นึงก็จะรู้อะเปิดก๊อกนี่นะช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะน้ำป่าปาเนี่เปิดก๊อกเนี่ยน้ํานี่มันร้อนเนะี่ยไม่ต้องมีเครื่องไม่มีเครื่องอุ่นน้ําเลยร้อนร้อนจริงๆ หน้าร้อนเนี่ยชาวาหรเนี่ยจะออกบ้านนี่ก็ต้องจําเป็นจําเป็นที่สุดคิดดูดีหน้าร้อนนะนะนาบีให้ข้ออนุโลมสําหรับหน้าร้อนเนี่ยให้ละหมาดดูรี่ล่าชาทําไมอ่พะพอดูรี่เนเวลาดูรี่เนี่ยตะวันแค่ดวงอาทิตย์เนี่ยคอยนิดหนึ่งคอยนิดหนึ่งเข้าเวลาดูรี่ละนี่คือนี่คือช่วงเวลาแรกของดูรี่ละหมาดของดูรี่ซึ่งในช่วงนั้นนะ น, นะ มันยังไม่มีเงามันค้อยนิดหนึังไม่มีเงาและจะไม่มีเงาเนี่ยจะเดินไปไหนนี่นะไม่มีเงาเนี่ยตากแดดนะโอ้ร้อนนบีก็เลยอ น, นุญาตและมาดูรี่ล่าช้าไปนิดหนึง่งบ่ายโมงครึ่นสองโมงเนี่ยเพื่อเพื่อให้ตะวันนี่มันค้อยกว่านั้นอีกนะจะได้มีเงาคนที่จะเดินไปมสัสยิดเนี่ยก็จะดเดินเงาเงาบ้าน เงาของกำแพงฮารัวบา้านนู้นบาน้านนี้มันจะได้มีเงานี่ในความร้อนของของพื้นที่นะี่เป็นเป็นแบบนะั้นร้อนจริงๆและยิง่งชาวสวนชาวมาดีน่าในในะชาวสวนนะชาวสวนนี่พื้นที่ที่น่าอยู่ที่สุดนี่ก็คือใต้ต้นไม้โอ้ใครเคยไปสวนนิพพัลลัมลที่มาดีนะนะ่ตนาต้นไม้โอ้ต้นนิพพัลลัมนี่มัน มันเรียงมันเรียงแทบคือแทบไม่มีไม่มีส่วนที่จะมีแดดเพราะต้นเอมพระลรานี่มันบังหมดค่น่าอยู่มากแล้วก็ต้องมีลําธารน้นําที่ไหลทินตลอดสวนเลยใครที่ไปทึ่นูนออกนอกสวนนี่ก็จบเลยนะฉะนั้นชาวมาดีน่านี่เป็นชาวสวนและช่วงหน้าร้อนนี่ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเอินเพลราด้วยถ้าจะเหนื่อยนี่ก็เหนื่อยกับ ทรัพย์สินของตัวเองเก็บเกี่ยวนี่เป็นธุรกิจทแท้ๆของเขานะ่ะออกจากบรรยากาศนี้ก็คือขีม่ม้าหรือเป็นทหารเดินโดยเท้าและยังจะไปสู้รบอีกน้ำก็ขาดแคลนอาหารก็ไม่ค่อยเพียงพอและเดินทางจากมาดินาไปทะ บ, บุกนี่ก็เกือบพันกว่ากิโลเขาจึงพูด เต็มปากเลยนะแล้วแต่พี่รูฟิลฮรอยาออกอย่าออกไปในความร้อนเลยเหตุผลเดียวนะทุกอิบาดที่จะต้องมีความลำบากทุกอิบัดที่มีความลำบากอย่าไปละหมาดเลยช่วงนี้มันร้อนอย่าไปทำนูน่นเลช่วงนี้มันอากาศมันฝุ่นมันเยอะถ้าอิบาตัด ที่เป็นหาจิบนะที่เป็นหัวจิบต้องทำแล้วเรามาอ้างเหตุผลอะไรแบบนี้เหตุผลอันบอกถึงความไม่สบายอ่ะไม่สุขสบายอไอบาด้านี้มันจะสร้างความไม่สุขสบายสำหรับเราเนี่ยนี่แสดงถึงกำมลสันดาลของพวกมุนนาฟิกที่อัลลอฮฺสุบฮฺไพร์น์อวยาเล่าเล่าถึงเขาในสุรเดวะ อัลลอฮ์ย ah ah ังให้คำตอบให้คำคตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดสำหรับพวกเขาอุลอ้มฮัมมัดจงกลาวูเิดว่านารุจฮันนัมอาัดุฮร์ไฟนรกญจฮันนัมนั้นร้อนแรงยิ่งกว่านรกญจฮันนัมร้อนแรงร้อนแรงยิ่งกว่าในบันทึกของมัมบุคารีและมุสลิม ท่าน نبي ดวนุค um ah ุมัอนิห์หับิสเวงีนจุเจฟัยคุมวกเจ้าในโลกดุนยานี้เนี่ยมันเบากว่าไฟนรกเนี่ยเจบเท่าเจเท่าความร้อนนะนะความร้อนของไฟนี่มีไฟอะไรที่มันแรงที่สุดในโลกในโลกนี้ นรกเนี่ยมันจะแรงกว่าจะร้อนกว่าเจ็ดสิบเท่าในโลกนี้เนี่ยมีพันไฟในี่ยพันองศาความร้อนเนี่ยพันองศานี่ก็มีแล้วนะแต่ในโลกนี้เนี่ยมีความร้อนแค่ไหนนายีอกว่าในนรกเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเท่าในโลกนี้เนี่ยมีแล้วนะพันองศานี่มีไหมมีนี่หลายพันองศาเนี่ก็มีก็มีนะในโลกของภูเขาไฟเนี่ยเท่าไหร่กี่พันองศาก็ไม่รู้คูณ เจสิบจะขนาดไนในบันทึกของอิหม่ามอุคอริลมุสลิมเช่นเดียวกันท่านนบีสัลลัลลอฮุอะซซัมบอกว่าคนที่ถูกทรมานในนรกเบาที่สุดอาขัุนนศอาดะเบนฟินนารีคนที่ถูกทรมานในนรกเบาที่สุดเนี่ย มันตกลีก้ามุห์ไมิพันรีนาริจามันตลี่ดิมา่งห์ไม่พัรนาริจนั น, น, นคนที่ถูกรุมายรุ่งนี่เบาที่สุดเนี่ยคนที่สมองของเขาเนี่ยเดือดเดือดด้วยความร้อนของของจันนร์ก็หมายถึงว่ายืนในในพื้นของไฟนรกเนี่ยสมองนี่เดือด มีบางรืงานบางรายงนนบ่ก็อัลลอฮฺสุวรรณว่าเราอะตหนบีชฝาให้ลุงกวงกันอบูตอริบแต่เนื่องจากว่าอบูตอลิบเสียชีวิตในฐานะเป็นผู้ปฏิสัตย์จึงไม่สามารถชฝาของผู้ศรัทธาให้อบูตอริบชฝาของผู้ศรัทธาก็คือให้ออกจากนรกเลยนี่นบีจะชฟา ไอ้ผู ا, ้ศรัทธาให้ออกจากนรกทั้งหมดเลยแต่นี้ไม่ใช่ฟาอากุบรานะฟ้าใหญ่ที่สุนี่ยก็ฟ้าให้อัลลอ์ได้เริ่มตัดสินวันเกียฟ้าอกุบรอฟาที่ยิงอนบีคนเดียวแต่เฟ้าให้ออกจากนรกเนี่ยนบีแลวก็คนอื่นด้วยมีสิทธิ์ในเฟ้านีถ้าอัลลอฮ์อนุญาตแต่นี้สหรับผู้ศรัทธาเฟ้าหออกจากนรกนนะแต่อบูตาลิบเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ปฏิสัธาชชฟ้าให้ออกจากนรกนี้ไม่ได้ จึงสามารถจะฟาให้บรรเทาการทรมานในโลกบางรายงานบอกว่าบรรเทานบีขอให้อัลลอฮ์เนี่ยลดการทรมานของอบดุลตะลิบเนี่ยจะก็ช่วยท่านนบีปกป้องท่านนบีตอนดาวอัลลอฮ์ก็จะบรรเทาการทรมานของอบดุลตลิบเนี่ยให้ยืนเฉยๆในโลกเนี่ยถึงขนาดที่สมองอจะเดือดยืนยืนบนไฟนรกในสมองเดือด ให้เบาที่สุดอำไมมันจะเสี้ยนบางคนตัวอย่างเยอะนะครับในกุรานเช่นอายะยุสหรูบีมาฟีบุตุนิฮัม والجلود ولهم م ع من ح الله จะเทไฟนรกนี่นี่เป็นเป็นไฟที่หน้าตามันเป็นยังไงก็นมั้งเทนรกเนี่ในศีรษะของเขาเนี่ยถึงขนาดที่ผิวหนังนี่จะละลายไปหมดยุสหรูบีมาฟีบุตูนิ ผิวหนังจะละลายลำไส้ก็จะละลายหมดนี่ในคุรานว่าละคุมว่าข้อมีหลายตัวบทหลักฐานนี้มันก็ยืนยันในคำพูดที่อัลลอฮ์ตอบตัวมูนาฟิกีนะคุณน่ารู้จักหนึมะชัดดูฮัลรอไฟนรกจะอันนึ่นั้นร้อนแรงยิ่งกว่าเราก็นู่อยฟกหูหาพวกเขาได้เข้าใจแต่เขาเข้าใจจริงๆนะน่ะเขาจะมาอ้างเหตุผลนี้ไม่ได้และนี่คือเหตุผล ของผู้ศรัทธาเวลาเข้าประสบกับความลําบากในการทําทำอภิบาลได้หรือทําหน้าที่เจออะไรเจออะไรที่มันลําบากในการทำอภิบาลได้ไม่เป็นไรลําบากแค่นี้มันนรกนี่มันลําบากกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวหุสวรรค์นเนี่ยเ่าต่ อ, อ, อแทนดีกว่านี้นีมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะให้กําลังใจกับตัวเองในสองเรื่องนี้ตลอด ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อแ้างของมุนาบีกินเฮ้ยอย่าไปร้อนเฮ้ยอย่าไปมันลําบากเฮ้ยแต่ผู้ศรัทธานี่มีใช่ไงถึงจะลําบากไม่เป็นไรวันเกียร่ามันลําบากกว่านี้เยืนละามาดตะราเวียกยามุดเลลมันเมื่อยไม่เป็นไรดีวันเกียร่ามันจะเมื่อยมากกว่านี้เราอดทนตอนนี้ดีกว่าถือสินืดเดือนระมดมันกระหายมันหิวไม่เป็นไรอดทนหน่อยเพราะเดวันเกียร่ามันจะหิวมากกว่านี้ หรือหิวในดุนยานี้จะได้ไม่หิวในวันกียมานี่ปลอบใจตัวปลอบใจตัวเองกุสตาปอบใจตัวเองแ ต, งตงสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับเหตุผลของของพวกมุนาฟิกีนเนี่ยว่าเขาคงคงไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเองนอกจากวอลล์จะเปิดอกเปิดใจให้เขาได้รับฮิดาะนะ แต่สมมติเขาไม่คยมีโอกาสที่จะที่จะพิจารณาที่จะที่จะสำนึกสำนึกในความผิดในในความบิดเบี้วของของตัวเองที่ทํากับอัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาร์เหมือนคนที่ปฏิเสธกุรอานไม่ยอมรับว่ากุรอานนี่เป็นพระดํารัสอัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาร์เขาจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะลิ้มความสวยงามของกุรอานไม่มีโอกาสที่จะได้มีความสุขในกา กุศุด้ไงก็ก็ปฏ so, ิเสธกุฎานอยู่แล้วทั้งนี้เราสุภานวดาล้ก็เลยเยาะเย้ยและก็ทำหนีพวกเขาบอกว่า فاليضحك قليلاً واليبك كثيراًجزاء أم า م ك ا ن يكسبون ถ้าว่าพวกเขาเข้าใจจริงๆแล้วก็รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยพวกเขาจงหัวเราะ แต่น้อยและจงร้องให้มากเถอะจะเขารู้ขอ้อเท็จริงนะให้หัวเราะน้อยเถอะร้องไห้ให้เยอะเถอะบิมากานุยกสิบุญท่านนี้เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาขวนขวายไว้ถ้าหมายรวมว่าเตือนสติในโลกนี้เนี่ยแต่พวกเจ้า รู้แล้วนี่ว่าบาปที่พวกเจ้าได้ทําไว้เนี่ยที่ไม่ไปดีฮาต์กับท่านนาบีที่บิดผิวกับท่านนาบีที่ไม่ออกไปสูร้รบกับท่านนาบีนี่นะให้ร้องให้หัวเราะให้น้อยหน่อยนะแล้วร้องให้เยอะเนี่ยเพราะนี่คือสิ่งที่ต่อท่านในในบาปที่พวกเจ้าได้ทําไว้หรือคําสั่งนี้เป็นคําสั่งในวันเกียร์มะหลังจากที่เขาเดี๋ยวเข้าจะเข้านรกแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วถ้าจะหัวเราะเนี่ยหัวเราะน้อย แล้วก็ร้องไห้เยอะเพราะอะไรเพราะในโลกที่พวกเจ้าที่ทำว้อยนี่มันมันบาปมหันต์สำหรับพวกเจ้าอยู่แล้วทั้งนี้เรื่องหัวเราะน้อยร้องไห้ให้เยอะเนี่ยให้มากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านน บ, บีสุลต่านละวะอะเลียวสัลลัมเชิญชวนให้ผู้ศรัทธาเนี่ยพยายามพยายามตั้งค่าชีวิตของตัวเองให้เป็นเช่น อุตส่าหนะควรที่จะตั้งค่ารู้อยากตั้งค่าไหมโทรศัพท์นี่ต้องตั้งค่าไอ้ค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมีโอกาสไหมที่มันจะทําไม่ตามสิ่งที่เราตั้งค่ามีโอกาสไหมตั้งค่านี่หมายถึงวันต้องปกดกฎระเบียบที่เข้มงวดคืออะไรครับรอให้น้อยพยายามร้องไห้ให้เยอะ أ ه َ ا د ت ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م َ د ي ب َ ع َ ن ْ ل ح َ ا ر ِ ث ب ن ا ل ب خ ا ر ي ل م س ل م َ ل َ ع ل م ُ ن م َ أ ع ل م ُ ب ُ ع ْ ا تَرُؤُنِي ذ ي ن َ ذِي كَارُهُ ذِي خ ب َ ج َ ع َ ر ُ لَضَحِبْتُمْ ق َ ي ل ا وَلَمْ بَكِيتُمْ ك َ ث ِ ي ا ل ة ع ْ ك ا ت ل ع و ر َّ ن ي ْ ل َ ت َ ن ไปขออภัยโทษกอัลอฮฺสุบฮานาอฺว่าเราตามสาธารณะที่สาธารณะต่างๆคือเราจะถ้าเรารู้ข้อที่จริงนี่นะเราจะอยู่กับที่มาเราจะออกไปขอร้อง Allah, อัลลอฮห้อัลลอฮฺไปขอโทษถ้าเรารู้ในสิ่งที่ท่านนบีรู้จึงไม่แปลกว่าลักษณะชีวิตของท่านนบีที่ท่านนบีตั้งค่ามารยาทของท่านนบีก็เป็นแบบนั้นจริงท่านนบีนี่จะหัวเราะ หัวเราะถึงขนาที่ถ้าหัวเราะแบบหัวเราะแบบแรงมากที่สุดนี้นะก็คือได้เห็นฟันบางทศนะบอกว่าได้เห็นฟันกรามอันนี้คือหัวเราะแบบนบีหัวเราะแบบเต็มที่แล้วนะสาบาบางท่านบอกว่านบีไม่เคยที่จะหัวเราะที่จะเห็นลิ้นเห็นลูกกระเดืองนั่นจะไม่เคยเห็นงไหนไม่มีนบีไม่เคยหัวเราะแบบนี้ ขอเราแล้วก็เห็นหมดเลยนะมีฟันปอมีอุดฟันอะไรเห็นหมดเลยไม่มีเลยแล้วอกว่าไงอ่ะซาฮาบะบอกว่าแกนจุลลูดฮิกิฮิตาบสุมันการหัวเราะของท่านนบีส่วนมากนี่คือยิ้มยิ้มแบบนี้นบีตั้งค่าแบบนี้แล้วการร้องไห้ของท่านนบีโอ้อยู่กับซาฮาบะนี่ก็ร้องไห้ละหมาดกลางคืนนี่ก็ร้องไห้ตั้งข่า ขั้นต่ําของร้องไห้เนี่ยก็คือน้ํา hm ตาไหลและขั้นสูงของร้องไห้เนี่ยตามระเบียบ ม, มารายาทของอิสลามของสุนนะของท่านนาบีก็คือร้องไห้แบบสะอื้นนนะแต่ต้องระงับเสียงเหมือนทนะี่ท่านนบีร้องไห้ท่านสจะร้องไห้เนี่ยไม่ร้องไห้ไม่องแบบออกเสียงแบบคนร้องนะไม่ใช่คําร้องนะร้องไห้เนี่ยท่านนบีจะจะสะอื้นแบบระงับพยายามระงับเสียงที่การร้องไห้ของท่านนาบี ร้องไห้นี่มันไม่ใช่เป็นอาการนะไม่ใช่อาการทำไมอ่ะเพราะเราดูละครก็ร้องไห้กนะันไม่ใช่ร้องไห้นี่มันมันคือความรู้สึกมันคือความเสือเราฟังอายะเกี่ยวกับนรกเราอย่าร้องไห้เป็นอาการสมัยตาบอีนเนี่ยก็มีบางคนถึงขนาดได้นนะร้องไห้แล้วก็เป็นลม ร้องไห้แล้วก็เป็นลมก็มีคนก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้ยุคอลุลามะตะเบินท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาร้องไห้จถึงขานาดเป็นลมเลยอะ่ะบอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องให้มันยืนบนรั้วนะแล้วก็อาา่อานอายานนี่ให้มันร้องไห้ดูที่มันจะเป็นลมปะถ้าเป็นลมจริงขณะที่ยืนบนรั้วนี่นะแล้วก็ตกรั้วเลยนะอันะนะสแสดงว่ามันไม่สแสดงไม่ใช่สแสดงร้องไห้จริงแล้วเป็นลมจริง แต่ถ้หาก็อยู่บนรั้ว น, นี่แล้วกันโ อ, อกุ๊บรั น, นี่ถ้าเป็นลมเนี่ยมคงตกนะเอ่อก็ร้องพอประมาณไม่ต้องเป็นลมก็ได้อันนี้แสดงความใจนี่แสดงว่าสลับเนี่ยเขาเข า, ขาวิเคราะห์เรื่องนี้กับตัวเองแล้วนะว่าเราอย่าเอาเรื่องร้องไห้เรื่องน้ําตาไหลเนี่ยมันโอ้โหนี่เราถึงขนาดนี้แล้วเราร้องไห้เราน้ําตาไหลแสดงว่าไม่เราต้องเข้าไปดูด้วยเพราะบางทีเนี่ย การร้องไห้น้ำตาไหลนี่มันอาจจะไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่ถาวรความรู้สึกจริงมันอาจจะเป็นฟีลิ่งชั่วคราวเป็นอาการชั่วคราวไม่เอาแบบนี้ไม่เอาสิ่งที่เราต้องตรวจสอบนี่ก็คือความรู้สึกในหัวใจนี่มันมันจริงมันจริงแค่ไหนแต่นี่อุลมามะก็เลยือกว่ามันก็เป็น มันก็กลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับมุนาฟิกษุซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมุนาฟิกษุจะหัวเราะเยอะและร้องไห้น้อยหรืออาจจะไม่ได้ร้องไห้เลยผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่หัวเราะเยอะหัวเราะได้หัวเราะ ไ, ได้ตลอดเวลาแต่ไม่เยอะเนี่ยแล้วถ้าหัวเราะนี่ก็จะไม่ไม่ล่วงเกินหรือไม่เลยเถิด ก็จะมีระเบียบมารยาทในการหรวรรคเหมือนท่านนบีสลลัลลอฮอะเลยวสัลลฺนะครับอายะที่สามนี้ก็น่าจะยาวหน่อยนะก็คงไม่ทันก็จะขออนุญาตยกยอดอายะที่แปดสิบสามไปยังสัปดาห์หน้านะครับพี่ชอัลลอพี่น้องมีคำถามไหมหาต้องทำงานครับเช่นแล้วก็มีช่วงเวลาพักเบรกในบางช่วง ทีี่่เเก็ ว, วรรลาถ้ากรณีที่เราได้เข้าก่อนละหมาดดูรี่แล้วก็ไม่มีช่วงพักนอกจากช่วงท้ายของละหมาดก่อนที่จะออกเวลานี่นะั่นก็ละหมาดได้ก็เป็นข้ออนุโลมนะแต่ถ้าเราละหมาดในช่วงช่วงเนิ่นๆช่วงต้นๆของเวลามันจะดีกว่าโดยที่เราคุยกับเขาก็ได้ว่า มาชดในช่วงพักก็ได้ก็าหมายถึงเมื่อละหมาดช่วงต้นนี่แล้วก็ช่วงพักนี่ก็ไม่เอาก็ขอสักสินาทีของช่วงพักนี่ผมใช้ในการละหมาดช่วงนี้ครับผมนะคุยนั่นน่าจะได้นะคือต้องคุยนะมุสลิมต้องกล้าคุยนิดหนึ่ ง, ง, งคําถามว่าได้มันได้มันก็ได้ที่จะละหมาดดุรี่ในช่วงสมมติว่าสมมุโุตวารสตรีนี่สามโมงคึ่งเป๊ะใช่ปะ่ะเราก็ละหมาดสามโมงสามโมงยี่สิบนาที พอละหมาดดูรีเสร็จนี่นะอาจารละหมาดเสร็จปั๊บอาาอัสรีปุ ن ن ๊บเข้าเลาเราก็ละหมาดสรีเลยมัาได้ก็ทำได้ถ้ามีความจาเป็นอุลามะเขาบอกว่าทุกวัตูน้ำมีสมช่วงวัตุลฟ اضيلة วัตุเลือกติยารวัตุต้อง ضرورة ช่วงแรกนี่นะคุณเอกวัตุลฟเวลาที่ประเสริ ช่วงที่สองหรือช่วงกลางเนว่าตัวเลือกเตียรเป็นเวลาเลือกทางเลือกช่วงที่สามมีนั่นคะือนสุดท้ายเลยนะดารุรออย่างอัสรีอเนี้ยอัสรีนี่เดนีมักจะเริ่มหกโมงใช่ไหห้าโมงสี่สิบห้านาทีก็ยังอยู่ในอัสรีใช่ไหมแต่นบีได้บอกว่าละหมาดอัสรีที่เลวที่สุดนี่นะ่ะก็ของพวกมุนาฟิกที่รอให้ดวงอาทิตย์ก่อนที่จะตกนะ แล้วก็รีบไปละหมาดอัซรีให้เสร็จช่วงเวลาท้ายๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีถ้าทำแล้วเนี่ยก็ทำในเมื่อมีความจำเป็นจริงจิงการซื้อขายไเาไงซือ้อาขายแมวซื้อขายแมวนี่ท่าสนะของอุลมามะส่วนมากนี่ซื้อขายได้หะดีสมีหะดีสมดเดียวที่ท่านนาบีสลตละอะลัยฮ์ซลมได้ห้ามมันทึงเกว่ามุสลิม แต่เขาบอกว่าอิมามมุสลิมวร์วะห์ฟมุตบาบะฮัอิม่ามมุสลิมเนี่ยเจอรายงานหะดิษเนี่ยสามช่วงช่วงแรกช่วงที่สองแลว้วก็ช่วงที่สามช่วงสุดท้ายช่วงท้ายช่วงแรกจะเป็นแสรายงานที่แข็งแกร่งที่สุดช่วงที่สองนี่จะอยู่ในปานกลางช่วงที่สามเนี่ยส่วนมากเนี่ยสรายรงานเนี่ยไม่ค่อยแข็งแร ง, งนี้มัมอิมามมุสลิมเนี่ยได้รายงานสองช่วงนี้นะนีอันสมานิลอันอัน เงินสัมเงินเงินเงิน الحج เงินค سب الكاهن وثمن الس و ث ل ك ب ي สองช่วงนี้นะซึ่งเป็นสารื่งานที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยนบีห้ามเอาค่าขายสุนัขในสองช่วงนะแต่ในช่วงที่สมเนี่ยเพิ่มแสรในสารื่งานเนี่ยเพิ่มในฮะดีสเนี่ยวนมิสนรแล้วก็ห้าม ราคาของแมวที ong, o, ai, an wa, i, ่เราไปขายแมวเนี k wa, k wa, k wa, ่ยอ ai li ah ุลามะบางท่านบอกว่านี่ไงมมสอยอิหม่ามุสลิมได้รงานแสดงว่าหาดีสอิ่แต่นักตรวจสอบหะดีษที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่ทุกหะดีษในสอยบุคารีหรือมุสลิมเนี่ยมันจะสอยียทั้งหมดในไยบุคารีเนี่ยบุคารีนะมีฮะดีส เล่าเรื่องเมีรอดของท่านนบีเรื่องเมีรนาบบัสเล่าเรื่องเมียรอดของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเพราะว่าท่านนบีึ้นไปเมียรอดเนี่ยแลวกท่านญิงอาอิชานเนี่ยไปจับที่นอนของท่านนบีก็ยังอุ่นๆเลยซึ่งท่อนนี้เนี่ยท่อนเนี้ยในหะดีเนี่ยอุลามาเอกะชนักเรียนการะดีเอกะชันเลยนะว่าท่อนนี้นี่นะด้ทําอะ พรตอนมิออรอดนินนบียังไม่ได้แต่งงานกับแตนีไงใช่ชัดเจนเลยนะคือจะมันมาจะพลิกยังไงนี่มันไม่ชัดเจเพรากฏว่าในสายรายงานเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อแชรีกิบนะคับดิลลาอิลกอกิซึ่งเป็นนักรายงานหะดีษมีชื่อเสียงจริงๆนะแต่ความจําของเขาเนี่ยไม่เท่าไรเพราะว่เป็นไปได้ว่าเวลาเขารายงานเพราะรายงานเรื่องของอิสรามมิออรอดนี่ก็มันหลายรายงานเนี่ยก็อาจจะพลาดก็ได้เพราะมันยาวมากฮะดิษบทนี้เนี่ยมันยาวมากพลาดไปก็ได้ แสดงว่าไม่ใช่ทุกคาในไซบุคอรีลมุสลิมเนี่ยมันจะใช้หมดคำซินนาล์เนี่ยในหะดีสของมุสลิมอันนี้เนี่ยที่อกว่ามันด้ยในตัวคำเนี่ยซินนาลแต่ะดีสส่วนอื่นของหะดีสบทเนี้ยสุฮีรายละเอียดแบบนี้อุลามะบ้านเราก็นิดหนึ่งเขาก็น มไม่รู้นะเขาเขาผ่านข้อมูลนี้หรือเปล่านะแต่เขาพบว่าผมติดตามมานะเพราะผมก็เคยฟัตัวแต่ก่อนนะู้นนะว่ากลัวขายไม่ได้โดยโดยอ้างถึงฮะดีษที่โดยรวมแต่พอไปตรวจสอบแล้วก็อ่านงานวิจัยที่มันละเอียดกว่านี้นะนะก็มองกาชัดเจนว่า ม, มันไม่ใช่รวมถึงเอ่อมันไม่มีเหตุผลที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาโดยทั่วไปเนี่ยที่จะห้ามขายไหยแมว ขายแมวนี่พอะไรมีเหตุผลไหมแม้จะตั้งสุนัขกันนะสุนัขเนี่ยที่อัลมอฮฺได้บอกว่าอะดิษเนี่ยห้ามขายจริงๆกันนะถ้าถ้าเป็นสุนัขเลี้ยงเล่นนะแต่ถ้าสุนัขที่เลี้ยงเนี่ยมีประโยชน์สุนัขล่าสัตว์อย่างเงี้ยศาสนากับอันเนี้นนนนยในใช้สุนัขล่าสัตว์เนี่ยจะซื้อขายไม่ได้ห่ะสุนัขเฝ้าอย่างเงี้ยเฝ้าฝูงแพะอะไรเงี้ยอันนั้นก็ เขาก็ใช้กันมาตั้งแต่ดึกดําบันรพยสมัยนบีก็ต้องใช้แน่นอนจะซื้อขายไม่ได้หรอก็ต้องซื้อขายได้สิแต่อ น, นี้เราก็ไม่ตําหนิทัศนคอื่นนะเราไม่ตําหนิทัศนคอื่นแต่อันนี้ที่ผมอธิบายละเอียดเป็นนิดหนึ่งเพราะเพราะคนที่ฟัดวัดที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยเขามาตําหนิทัศนคอันนี้อ่าผมก็บอกคือให้อ่านเหตุผลให้หมด ให้หมดเนี่เพราะเพราะเขาก็ยังอ้างฮะดีสของเลยมุสลิมเนี us, ่ยเฮ้ยพูดเองไงวันนี้หะดีสมันสอยมันสอยมุสลิมมันชัดเจนแล้วก็ยังจะไม่เอาฮะดีสไว้คือแบบพูดพูดพูดกว้างๆอ่ะทั้งนั้นนี่ไอที่เราเจาะตรงนี่มันละเอียดกว่านั้นถ้าจะตอบเนี่ยก็ต้องตอบให้มันละเอียดต้องตอบเฮ้ยไม่ใช่นะคําว่าสินนน้าเนี่ยมันสอยนะเพราะมันมีหะดีสเองอะไรงั้นอื่นที่มันสมทบได้น่ยก็คือคือพูดอะไรมันเป็นเหตุผลด้านหะดีสนะนุษย์จะดีสแต่นี่ไม่ใช่ ก็พูด อ, อีรอบเดิมของฮันิสม์สอยมุสลิสมไงทำไมไม่เอาล่ะอะไรเงี้ยทางนี้ก็ทศนะอื่นเราก็ไม่ได้ทำหนีนะามตการตอนแมวตอนแมวตอนแมวตอนสัตว์นี่ทั้งหมดเนี่ยถ้ามีเหตุผลในการรักษาดูแลแมวป้องกันแมวคุ้มครองแมวเนี่หรือสัตว์อื่นจากอันตรายหรือเป็นประโยชน์สำหรับตอน สำหรับตอนสัตว์นี่นะทำได้เพราะมันมีหลักการอันหนึ่งที่เราเห็นว่าสมัยท่านนบีเนี่ยตอนก็คือตอนแพะริกะท่านนบีได้ทำกุรบานในบันทึกของอิมามบุคารีและมุสลิมดําา ر س, الله ل وال وال س و ل u l l a صلى الله عليه وسلم บีกับเชนนีอัมละไหนี่มาจูอินท่านนบีได้ทํากุรบันด้วยแพะตัวผู้กับชนนีกับส์กับส์แปลว่าแพะตัวผู้บ้านเรานี่มาลายูกันมามาเรียกกันกิบั กีบัตได้ยินไหมเคยได้ยินวะกิบัตนี่ครับชีแหล ะ, นะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยที่ใบที่มากิบัตเคยได้ยินใช่ไหมกิบัตก็คือแพะตัวผู้อำละให้นี่สวยงามเมาอยู่ไอนีอ่ถูกตอนเอ๊ะทำไมถูกตอนล่ะเพราะแพะเนี่ยถ้าถูกตอนเนี่ยโดยเฉพาะตัวผู้นะถ้าถูกตอนนี้เนะี่ยมันจะมันจะอ้วนอา่านสดงว่าอนุญาตให้ตอนสัตว์จะได้อ้วน สมัยท่านนาบีอันนี้ น, นี้จะจะข า, าดีเสียเพราะนาบีรู้รู้ว่าแพ้นี่ถูกตอนและยังเชื่ออสแสดงว่านาบีอ น, อนุโลมชัดเจนอนุโลมตอนแพะให้มันอ้วนอ่าสแสดงว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์สําหรับสัตว์เนี่ยหรือมันคุ้มครองจากอันตรายสําหรับสัตว์เนี่ยเราก็ทําได้ตอนได้สัตว์ไม่มีใครจะดูแลมันไม่มีใครจะเลี้ยงลูกมันมันอันตราย ต่อมันต่อลูกของมันอ้าวก็ตอนได้มันก็แล้วแต่นะครับบางทีเนี่ยอย่างประเทศตุรกีเนี่ยไปบประเทศตุรกีตกใจตกใจตอนตอนเห็นสุนัขตอนจัดสุนัขในที่ตุรกีนี่นะมันไม่ใช่สุนัขนะมันคือสิงโต <laughs> สุนัขตามถนนนี่ในอย่างนี้เลยนะโถงเหรอ ้อนจัดนั้นไม่่สุนัขเลี้ยงตามบ้านนะไม่ยช่สุนัขพันบันหมาป่าเ น, น, น, นี่ยอก็อะไรคือสุนัขหมาเลี้ยงนี่แหละหมาเลี้ยงหมาหมาตอนจัดนี่แหละ <c oughs> นี่แหละเ <c oughs> ขาก็เลยออกกฎออกกดนี่หมานี่ต้องตอนหมดเ <c oughs> พราะแตเพราตหากว่าุบ อ, อบ้านเมืองก็สิงโตนิเดี่ <c oughs> มันใหญ่จริงๆะ <c oughs> ใหญ่มาก แต่คนตุรกีเนี่เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ชอบมากเดินตามถนนนี่นะจะต้องมีถ้วยน้ำและอาหารให้พวกแมวจอนจัดแล้วก็สุนัขตลอดแนวลแล้วก็สำหรับที่ที่แบบว่ามีที่ปลอดภัยเนะ่ะเขาก็จะแขวนอาหารแมวอาหารหมาไว้เลยนะแขวนไว้เลยนะถ้าหมดเนี่ยคนก็ก็จะช่วยไป แล้วก็มีคนก็จะทุกที่เลยนะไม่ใช่เฉพาะอย่างที่นี่เราเห็นกะทีิวายชันนี่อย่างเดียวนะไม่ใช่ทุกที่เลยก็กว่าคนตรุรกีเนี่ยเขาก็เร่งทําบุญเรื่องทําบุญเนี่ยมันเป็นนิสัยแล้วก็นี่ยก็สืบทอดจากคนเข่งศาสนาสมัยตรุรกีเนี่ยเขาซึ่งในคดีของท่านนบีที่ว่าให้น้ํากับสุนัขเนี่ยแล้วเข้าสวรรค์เขาซึ่งในเรื่องเนี้ยเขาก็เลยทําบุญก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งที่ทําให้เข้าสวรรค์ มุสลิมบ้าเราต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วเห็นหมาหละ <c oughs> เห็นไม่ได้เลยแขงไม่เห็นหมาไม่ได้เลยต้องตีอย่างเดียวทำไม่ดีก็ฆ่าเลยนะทำบุญบ้างนะให้อ่านสุนัขเนี่ยมุสลิ ม, มให้อ่านสุนัขนี่ได้นะไม่บาปนะไม่บาปนะแล้วกระโดนสุนัขเนี่ยโดนผิวข้างนอกนี่ไม่นาดิสนะนี้ิสเฉพาะที่ปากมันเนีย่ยไปยุ่งกับปากมัน แต่ถ้าจะไปรูปสุนัขเนี่ยไปรูปอันนี้ได้นะรูปสุนัขนี่ได้นะไม่ไม่นาจิสนะครับเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ทัศนะอุลมาส่วนมากเลยนะไม่อยากจะบอกใครบอกทัศนนะหนึ่งอิหมมาลิกเนี่ยหมาทั้งตัวเลยไม่นาจิสมากกว่านั้นอิหมมาลิกนี่บอกว่าหมาเนี่ยกินได้ อย่าเป็นลมกันนะถึงขนาดที่มีอุลามาท่านหนึ่งก็บอกว่าแนะนําคนที่ไปด่าวแถวเอเชียนี่นะเอาทัศนะนี้ไปใช้ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาทัศนะอิหม่ามชาฟีเพราะมีบางพื้นที่เนี่ยเขกินหมากันเยอะแล้วเขบอกว่าเออในอิสลามก็มีทัศนะกินหมากันได้เนี่ยแถวอีสาเเนี่ยคงเป็นมาลิกีกันแน่นั้นอะ เนี่ยว่าเราเราศึกษาในมัจจับต่างๆเนี่ยเราจะใจกว้างใจกว้างจริงๆแต่ถ้าเรากระจุกอยู่ในมัจจับเดียวเนี่ยเราจะใจแคบใจไม่เฉพาะชาวเียดนาไม่นี่แม้กระทั่งคนที่กระจุกในอัลลิมคนเดียวกระจุกในในกลุ่มเดียวเนี่ยเนี่ยก็จะเกิดปนนัญหาเราต้องศึกษาให้เยอะเราจะได้ใจกว้างมีมุมกว้างถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยกับเขาเราไม่เห็นด้วยกับกมัจจับไมลิคีแน่นอน แต่เห็นใจเขาอิหม่ามมาลิกไม่เลเอะเทอะแน่นอนอิหม่ามมาลิ ก, ก น, นะเขาเคารพในหาดีสมากนะเขาไม่เลเอะเทอะแน่นอนเขายังพอมีเหตุผลนี่ถ้ามีคนตอนเนี้ยมาบอกว่าเฮ้ยหมากินหน้าใครบอก ก, กินไม่ได้โดนกระทืบแน่นอนแต่ถ้ารู้ว่าเฮ้ยอิหม่ามมาลิ ก, กเราต้องระวังเรพูดได้ต้องระวังถ้าระดับอิหม่ามเขาสนับสนุนทัศ น, น์เราก็ต้องระวังเห็นหมเห็นใจคนอื่นบ้างเราเหยียบเหยียบพึ่ง ไ ป, ไปทำหนีไปว่าคนอื่นเขาางีกูรมาคนอื่นก็อาจจะมีเหตุผลของเขาเคารพเคารพความเห็นของคนอื่นนี่นี่คือนี่คือสุนทรขงท่านนบีสุลต่าลอเลสันการให้เกียรติและเคารพในความเห็นของคนอื่นครับมีคาถามยางอื่นไหมครั บ, บเนทานที่ตรงน้ที่เาหลายวนได้เจอหลายวันสวัสดีทีมงานครับเชฟขอให้สภาพแข็งแรง ถ้าเกี่ยวกับปีใหม่จริงๆเนะี่ยหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเทศกาลที่เกี่ยวกับความเชื่อขอบคุณครับกับพอไม่ไม่ต้องตอบอะไรมากแต่ก็พอที่จะตอบได้ไงสวัสดีปีใหม่ขอบคุณครับอะไรเงี้ยอแต่ไม่ต้องแบบสวัสดีอะไรปีใหม่เพราะสวัสดีปีใหม่แม้กระทั่งจิตวรา ม, มันก็ไม่มีอยู่แล้วไงแต่ที่เราอยากจะพ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกมองว่าเ อ, อน่าเดียดแต่มาเรียคริสต์มาสินะ อันนี้มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเชื่อนไงถ้าเราไม่สะดวกที่จะอธิบายความเชื่ออย่างน้อยเ น, นี่ยเขาก็ต้องก็นิ่งไปแต่ถ้าหากว่าพอเราต้องยอมรับว่าปีใหม่นี่มันมีสองมันมีสองนยันยะนัยะของเรื่องความเชื่อและการนยะของการเปลี่ยนเวลาหรือเปลี่ยนปยีสกัดาเน่ยแค่นั้นแหละอย่างคนไทยพูดอย่างเนี้ยเขาไม่เชื่อหรอกเรื่องพระเยซูราเลยเขาไม่เชื่อ เขเยกมันปีใหม่จริงๆน่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นี้งั่วปีเก่านี่มันผ่านพ้นไปแล้วแล้วปีใหม่นี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันเรื่องสกัดใหม่อย่างเดียวเลยแต่เขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็มาในทานองนี้ในระยะเนี่ยเออขอบคุณครับจบแล้วออไม่ต้องเยอะด้วยนะแล้วก็วินิจไปเพียรวินยัยที่ไม่ต้องเยอะนะออนี่ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะยังไงก็ไม่ใช่ของเรา แต่ที่ที่เราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาด้วยกับประเพณีเรื่องปีใหม่พี่เพราะมันมันไม่มันไม่สอดคล้องกับกับนโบายชีวิตของผู้ศรัทธานโบายชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยปีเก่าผ่านปีใหม่มาเนี่ยมันมีเศร้ามากกว่ามันไม่ใช่ฮนะัปนะี้เลยฮัปี้นิวเยน่ะของเขาฮัปี้ใช่ไหมของเราเนี่ยไม่ได้ฮัปี้เลยทําไมอ่าผ่านพ้นไปแล้วเ น, นี่ยปีเก่าน่ยโหยบาปมันเยอะ และปีใหม่นี้ไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่ามันต้องมีทั้งเศร้าและกังวลมากกว่าถึงเออเราจะบอกสําหรับผู้ศรัทธาที่เงียบเนี่ยเออเราจะบอกก่อนที่จะตายเนี่ยส่งมาอลไรก็เอาไปแล้ ว, แ, ลวแต่ครอบครัวและต่อสนุต่อไปเนี่ยไม่ต้องเศร้าไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องเศร้าไม่ต้องกลัวแล้วเพราะผู้ศรนะัทธาเนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่ระหว่างความเศร้ากับกังวลอดีตเนี่ยเศร้าโอ้ฉันทําบาปไปเยอะและอนาคตนี่กังวลฉันจะเจออะไร เขาก็พยายามยินเย็เนี่ยว่ายินเย็ดแล้วราจะส่งมาอะไรก็แบบว่าอย่าเศร้าและอย่ากังวลอย่ากลัวอีกแล้วแต่ถ้าแฮปปี้นิวเฮปปี้และที่แปลกนะฮปปี้นิวเยปปี้แล้วก็มามาข้าดาวนี่ก็เล็ ก, กเล็กกันเล็กตุ้มเป๊ะแทนที่จะและ้วกลางคืนต้อนรับต้อนรับปีใหม่ด้วยเข้าดาวกินเหล้าแล้วก็เช้าไปไหนเช้าเช้าไปทําบุญ กลางคืนทำบาปแล้วก็เช้าไปทําบุญมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะนะทําบุญนี่ยก็ทําบุญไปเลยทั้งปีเลยนี่คือผู้ศรัทธาเนี่ยทำบุญก็ต้องทำบุญอย่างต่อเนื่องอยากจะบอกเออทำบาปแล้วก็ดูเช้าไปทําบุญไม่เป็นไรก็มีวัยรุ่นวัยรุ่นทั่วโลกกันนะเนี่ยเามีความเชื่อว่าเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรถูกบันทึก ไปที่งดจะทาอะไรนี่ก็ทาไปอันนี้ตามความเสี่อของเขาอะมันจะไม่มีอะไรถูกบันทึกจะทำอะไรในช่วงเที่ยงคืนนั้นะทไปเลยอาลาสันลลอฮุยยยยุมิซัลิกะแค่นี้นะคบัลลอฮุอลนบีามุฮัมมัดลอซัลลมอลัยกุม